بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله و ا ص ح ا ب ه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ا شرح لي صدر ي و ي س ر لي أمر ي وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك إن ا كنا من الظالمين รับบานาอัตน د ุ كرحمة وحي لنا من أمرنا رشدا اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرر أنفسنا الحمد لله พี่น้องที่รักทุกทุกท่านอันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มาพร้อมๆกันในช่วงเวลาหลังมะริดจนถึงอิชานะครับเพื่อที่จะมาร่วมกันใช้ช่วงเวลาเล็กน้อยเพื่อ อ่านอัลกุรอานแต่ดับบทใคร่ควรความหมายอัลกุรอานพร้อมๆกันเพื่อเป็นการเพิ่มอิมานของเรานะก่อนที่จะเพิ่มความรู้เพิ่มอิมานก่อนนะความรู้ก็จะตามมาอินชาอัลลอฮ์เพราะว่าบัญชีระหว่างอิมานกับความรู้เนี่ย พี่น้องคิดว่าอันไหนสำคัญกว่ากันอิมานก็คือความที่เรานั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์สมบูรณ์แบบล้วลคนที่มีความรู้แต่ไม่มีอิมานลองคิดดูซิว่าจะเป็นคนอย่างไรนะแต่ว่าในขณะที่คนที่มีแต่อิมานไม่มีความรู้จริงๆแล้วเราก็ไม่เอานะคนที่มีอิมานแต่ไม่มีความรู้เพียงแต่ว่าอย่างน้อยก็พอที่จะเอาตัวรอดได้บ้างถ้ามีอีมานอยู่แล้วนะพอที่จะ ชั่วละนะครับพอที่จะปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นความรู้กับอิมานนี่จริ ง, รงๆแล้วมันต้องอยู่คู่กันแต่สองอย่างนี้อิมานย่อมต้องสำคัญกว่าอย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าเมื่อคนมีอิมานและดำเนินตามบนเส้นทางของอิมานอย่างถูกต้อง mm hmm. เขาก็จะได้รับความรู้จากอัลลอฮ์สุภาพนะแต่ละโดยเฉพาะหากว่าคนที่มีอิมานคนนั้นได้ปรับตัวเองให้เป็นคนที่ตั ก, กว่าต่ออัลลอฮ์ เพราะ Allah Taala บอกว่า "wtakulillah" ว่าย um ุ่งลิมุคุมุลละจงตัคว่าต่อ Allah แล้วา l l a h Taala ก็จะสอนพวกเจ้าเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละนะครับการเรียนการสอนของเราถึงแม้ว่าความรู้ที่เราได้เนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่เพียงแค่เราได้รับอ ي م ا ن ได้เพิ่มอ ي م ا ن ของเราด้วยการที่เรามานั่งเรียนกันอย่างนี้เนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลแล้ว เพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตของเรานั้นสิ่งที่จะมาบันทอนอิหมานั้ น, ม, น ม, มันมีเยอะเหลือเกิน24ชั่วโมงที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันน้องลองคิดดูซิว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถจะเพิ่มอิมานให้กับเราได้มันมีแต่กิจกรรมที่จะลดทอนอิมานมันมีแต่กิจกรรมที่จะใส่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเยอะมากเลยสิ่งที่จะใส่อมาให้กับชีวิตมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นเราจะต้องมานั่งช่วยกันคิดช่วยกันรณรงค์ช่วยกันสั่งเสียช่วยกันเชิญชวนให้มีกิจกรรมต่างๆที่สามารถจะเพิ่ม إ ม م ا ن ให้กับเราและขจัดสิ่งที่มันเป็นพิษภัยต่อหัวใจาของเราให้ออกจากร่างกายของเราให้เยอะที่สุดเราดูดแต่คาร์บอนไดออกไซด์เราไม่ได้ใส่ออกซิเจนเข้าไปเลยให้กับหัวใจของเราเนี่ยมันอันตรานะครับนะอูซุบิลลาฮ์มันซาลิ นะตรงถ้าหากว่าร่างกายของเรานี่ต้องดีท็อกเดี๋ยวนี้นี่เขาคิดกันเหลือเกินดีท็อกเคยได้ยินไหมครับนะดีท็อกก็คือล้างล้างเครื่องในในร่างกายของเราเนี่ยให้มันสะอาดหัวใจของเราก็ต้องการดีท็อกเหมือนกันนะด้วยดีท็อกด้วยการใส่อิมัลเข้าไปนะครับวันนี้เราจะเรียนสุรตุนเนียร์เซียนะครั้งที่แล้วเราก็เริ่มต้นไปแล้วนิดนึ่งจะไม่ได้อธิบายอย่าง อ, อย่างละเอียดเท่าที่ควรนะครับอชฉลองวันนี้เราจะอ่านก่อนเดีย๋ยวเราจะอา่านจบสุร้อนนะครับเราจะ เ, เราจะแบ่งอ่านประมาณสัก 3- าสี่คนให้จบสุร้อนนะครับมีทั้งหมดประมาณหนึ่งหน้ากว่ า, วาก็ประมาณสักสี่สคนรหรือว่า3มคนนะครับผมจะอ่านก่อนแล้วก็จะแบ่งให้พวกเราอา่านสักสามคนนครับซุร่าตุนนาซีอาตครับหลังจากซุร่าตุนนาบะ อย่าไม่ต้องอ่านตามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอ่านแบบแบ่งแบ่งอายัหให้พวกเราได้อ่านกันตัวแทนได้อ่านอ้างวุฒิ الله ا ل ص ا م ِ ع ا ل ع ل ي م م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م بسم الله الرحمن الرحيم و ا ل ن ا ز ع ا ت غ ر ق ا والناشطة ن ش ط ا و ا ل س ا ب ح ت س ب ا ح ا ل س ا ب ق ا ت س ب ق ا فالمدبرات أمرا يوم ت ر ا ل د ف تتبعها الرادف قلوب يوم ذ و ا ج أبصرها خاشعة يقولون إن ل َ م َ ر د و د و ن َ فِي ا ل ح ا ف ِ ر َ ة ِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ب َ إِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإذا هم بالساهرة هل أ ت, <ص في ق> <ت <ص في ق> بارك الله فيك อันนี้อันอันสันนะครับเป็นอันรับบุคค وضع الله بارك الله فيك. سلمان. <تصفيق> ร่ำเภ ا بارك الله فيك และอัลต้าช์ล ل ลาห ا بارك الله في فإذا جاءت الظم ม้อมอาวนาวดกกกลล่ปป็แิทีีี่่จะะไปมมนะเพราวาวอยูุ่ จะเจียม .بارك الله فيك. มาอ b a s <centimeter S 1> ได้ไหมครับอ้าวใครอ่านต่อครบบางอิดร <sh> <ss> ิสนะเอาล่ะน่าอ่านได้ไหมฟะอัมมามันตักเห็นไหมฮะต้องพึ่งเครื่องมือช่วยหรือเปล่าฟะอัลมามัมตักวะอาฮัยยะ بارك الله فيه. <تصفيق> أقام ربه عن <تصفيق> الهوى. بارك الله فيك. م ر س ا อัลลอฮฺนะครับสุรตุนนาซีอาตเป็นซีรีนะถ้าเราจะพูดเป็นซีรีก็ได้นะซีรีที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายวันเกียร์นะสุรตุนนาบะเราเรียนไปแล้วจบไปแล้วหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งซีรีนะสุรตุนนาซีอาตเป็นเกียร์อีกตอนหนึ่ง เป็นการอธิบายวันเกียรมะในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งในสุรา์นี้เนี่ยเาแต่ ล, ตาลาพูดถึงตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งด้วยนั่นก็คือฟิราวุสภาพของชาวของชาวอะไรเาเรียกสภาพของคนที่จะไปเจอกับอัลลอ์สุบฮานาตะลาในวันเกียรมะที่จะแบ่งออกเป็นมุตสกีน เป็นผู้ที่เกรงกลัวอัลลอ์กับสภาพของคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์จะเป็นอย่างไรจะพูดจะได้ได้ถูกพูดถึงในสุร์นี้ด้วยส่วนหนึ่งและพูดถึงโมเดลรวดตัวอย่างของชาวนรกส่วนหนึ่งในนี้เช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเกี่ยวข้องกับภาพที่จะเกิดขึ้นในวันเกียรมะอย่างไรก็ตามก่อนที่อัลลอสุบฮานาตตะลจะพูดถึงวันเกียรมะเนี่ย อัลลอฮฺตะลาพูดถึงสิ่งหนึ่งนะครับก่อนที่จะนำเรื่องไปสู่วันเกียมัตเนี่ยอัลลตะลาพูดถึงสิ่งหนึ่งก่อนนั่นก็คือการสาบานกับมักลูของอัลลอตะลากลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในห้าอายัดแรกของสุรษนี้สุรนี้เริ่มต้นด้วยการสาบานวันนวัน ن ش ط ا ت ن ش ทัศน ha, ์ท ya, ี ri, r, ah ik, ่5ครั้งปกติแล้วเวลาที่เราได้ยินการสาบานในอัลกุรอานเนี่ยอย่างสุรุตุลอาสครั้งเดียวหรืออย่างสุรุฮะไรก็มีบางครั้งก็ครั้งเดียวบางครั้งก็สองครั้ง ในสโหกนี้เนี่ยห้าครั้งแสดงว่าเรื่องราวที่พระองค์จะบอกหลังจากการสาบานเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพระองค์ถึงต้องสาบาน5ครั้งด้วยกันด้วยมลลัยกัตห้าประเภทนะครับด้วยคุณลักษณะของมลลัยกัตห้ประเภทด้วยกันผมบอกแล้วนะครับว่าในในหนังสือที่เป็นภาษาไทยที่เราที่เราอ่านเนี่ย เขาแปลความหมายเป็นไม่ใช่มลออิ ก, กัตแปลความหมายเป็นดวงดาวครั้งที่แล้วระบายไปแล้วว่ามีทัศนะบางทัศนะที่แปลว่าอันนาซิอาตหมายถึงดวงดาววันนาชิตตอดก็ไม่ถึงดวงดาวกลุ่มหนึ่งแต่ความเห็นส่วนใหญ่ของนักอธิบายอัลกุรอานให้ความหมายตรงนี้ก็คือมลออิ ก, กัตไม่ใช่ดวงดาว นะแล้วในหนังสือภาษาไทยนี่เองฉบับแปลเนี่ยหน้าที่35นี่พี่น้องก็ลองดูลองอ่านดูเองก็จะอธิบายว่าจริงๆแล้วนะสิ่งที่พระองค์สงสาราตรงนั้นเนี่ยกนะ็เป็นนะเห็นไหมบรรดามุฟัตซีรีนเห็นตรงกันว่าเป็นมาลาอิ ก, กัศน์นะับแปลกเหมือนกันนะหน้า34มสิเขาแปลเป็นดวงดาวแต่พอมาหน้า35เนี่ยก็มาบอกอีกว่านักอถาธิบายเห็นตรงกันว่าเป็นมาลาอิ ก, กัศน์ทำไมเขาไม่แปลเป็นมาลาอิ ก, กัศน์ตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นในตัสซีอหลายๆัสซีดนะครับจะอธิบายตรงๆไปเลยว่า5อย่างที่อัลลอฮฺสั่งจาร า, าสาบานตรงนี้เนี่ยหมายถึงมะละอิ ก, กัดนะเป็นความหมายที่ส่วนใหญ่เขาเห็นกันอย่างนั้นแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีอุลามะส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยที่อธิบายว่าสิ่งที่พระองค์สงสาบานตรงนี้หมายถึงดวงดาวเพราะฉะนั้นเรามาดูความหมายเผลนและความหมายโดยรวมก่อนนะครับของ อ ayah ทั้ง5วันนาซีอาติวรกะในตั f s ีรของท afsir หนนะเขอธิบายว่าอย่างนี้เขาบอกว่าวันนาซีอาติวรกะก็คือมะลาอิกาที่ดึงวิญญาณของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรกนาซีอาดึงในหะดิษที่ยาวมากๆบทหนึ่งท่านนับีุลเลาัลลัลลอฮุาสาริย์สัลลัมอธิบายสภาพของคนที่ใกล้าตาย ไปลองครับเราทุกคนเนี่ยเวลาที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยการเสียชีวิตนี่เราถือว่าเป็นอลกยิยะมาจุดสู้กรอกเกียรมัดเล็กถามว่าเราทุกคนนี่จะต้องผ่านความตายไหมครับความตายก็คือเกียรมัดเล็กก่อนที่เราจะไปเจอเกียรมัดใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอความตายแสดงว่าเรากําลังเข้าสู่โลกหนึ่งเป็นประตูสู่อาคิีรัตเห็นไหม ก่อนที่อัลลอฮฺจะพูดถึงวันอาขีรัดซึ่งเป็นกิยามัตใหญ่นี่อัลลอฮฺพูดถึงมลออิกัดที่ดึงวิญญาณก่อนนาซีอาดึงวิญญาณอย่างรุนแรงการดึงวิญญาณอย่างรุนแรงนี่จะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาวันนาซีอาที่รักะสาบานกับมลออิกัดที่ดึงวิญญาณอย่างรุนแรงหมายถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาดึงวิญญาณจากบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ คนที่เป็นผู้ทรยศอัลลอฮ์ผู้ที่เป็นคนชั่ววันชิตาตินชตาเป็นอีกกลุ่มมาลาอิ ก, กัดหนึ่งซึ่งดึงวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบาและก็รวดเร็วใน h a ิ i ษที่พูดถึงการดึงวิญญาณเนี่ยบอกว่าดึงวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่าเหมือนกับดึงอะไรนะเจ็บปวดมาก กระชากออกมาอย่างเจ็บปวดแล้วก็นั ก, กว่าชออกมาเนี่ยเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่นะกว่าจะดึงออกมาได้เนี่ยมันยื้อแย่งกันอยู่น่าเจ็บปวดในขณะที่ดึงวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเหมือนกับรินน้าออกมาเหมือนกับน้ําที่รินออกมาจากกาณน้ำนี่คือวันเนชิโตตินัสต์มาลาอิกัสที่ดึงวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาด้วย นะสภาพที่ว่างไวสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดมากเหมือนกับนะคือทุกคนจะต้องเจอกับความเจ็บปวดไม่มีใครที่ตายแบบไม่เจ็บแม้แต่ท่านนาบีสโลลล์อะไรวะซัลลัมเองท่านเอง เ, องเนี่ยท่านบอกกับมาดาอะไรครับว่าท่านเจ็บตอนที่จะตายจนกระทั่งต้องขอน้ามา มาอ่านมาเล่ามาช็ดตัวอันเชน่นข้อยชิดตัวท่านนาบีสุลลัลละสั่นก็กล่าว่าอินนั้น للموت لسكرات บอกอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความตายเนี่ยมีสัการะมีสิ่งที่ลอับบัตขณาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละสั่งยังต้องเผชิญกับความรู้สึกนั้นพี่น้องลองคิดดูซิว่าเราจะเป็นอย่างไรแต่มันก็ยังดีกว่าบรรดาผู้ปฏิเสธที่จะต้องเจอกับความเจ็บปวดที่ นาอุบิลละห์มิน ذ าอุ้บิลละห์มิน ذلك นะครับเพราะฉะนั้นขอด้อาอานะอัลลอฮฺฝ่าพระบาทให้เราเจอกับความตายในสภาพองผูุสัทธาวิญญาณของเราออกไปด้วยมือด้วยความแผ่วเบาออกไปอย่างเหมือนกับน้ำที่กำลังไหลนับมาอัลลอฮฺมั่งมีนี่คือมารัยเคนกลุ่มที่สองวันนาช ن ต ا ตินชั่งต่อไปครับวัสซาบิฮาติซาบีฮะ อัลซับิฮาทิสซาฮาก็คือมลลัยกัตที่แวกไหว้ในอากาศจากโลกแล้วขึ้นไปหาอัลลอฮ์จากาจากณที่อัลลอฮ์สบ่าวจากหลัก็ลงมาอย่างม า, มาอย่งโลกไหว้แหวกว่า ย, ายไปทุกวันนะมีไฮเดศบุตรหนึ่งที่บอกว่ามาลลัยกัตช่วงกลางคืนกับมลลัยกัตช่วงกลางวันที่งลงมายัางโลกเนี่ยจะมาบรรจบจะมาเจอกันช่วงระหว่างหลังซุบุก กลับหลังอาซานะเวลาหลังซุบอฟเนี่ยมาลายกัตที่ลงมาตอนกลางคืนเนี่ยก็จะกลับไปอย่างอัลลอฮฺสุบะฮฺต alla แล้วมาลายกัตที่ก็จะมีชุดใหม่ลงมาช่วงกลางวันพอถึงหลังอาซามาลายกัตที่มาช่วงเวลากลางวันก็จะกลับขึ้นเข้าไปขึ้นไปในขณะที่จะมีมาลายกัตที่จะมาลงมาช่วงหลังอาซาดนี่คือวาสซาบิฮาทีซาบฮาขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ทุกวัน เพราะว่ามล า, ายิกัดเนีจะมีจำนวนที่เยอะมากเยอะขนาดไหนครับเขาบอกว่าที่นะบนท้องฟ้าณนะที่อัลลอฮฺสุบาาะฮฺอัตะลาจะมีกะบะของมล า, ายิกัดอยู่นะครับซึ่งจะเข้าไปทําอิบัตัดตรงนั้นด้วยจํานวนที่มากถนงขนาดว่ามลายิกัดตนไหนที่ไปสุยูดแล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสเข้าไปอีกเป็นครั้งที่สองเพราะว่ามีจํานวนอื่นที่อรอเข้าคิวจะเข้าไปทําอิบดตัดตรงนั้นอีกเยอะมากเลย นะครับเพราะฉะนั้นวัสสาบิหิตสัพหะ้องนึกภาพดุ น, นครับว่าแวกว่าระหว่างโลกกับท้องฟ้าเนี่ยมากแค่ไดนนี่คือมาลัยกัดกลุ่มทิศะนะครับหรือตรงนี้ในในส่วนในบางท่านก็อธิบายว่าวัสสาบิหิตสัพะหมายถึงยึยยสริยุนทนนักลที่ฮาเัลคาวน หมายถึงว่านะย้ายจากที่นี้ไปอีกที่หนึ่งด้วยความรวดเร็วย้ายจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งด้วยความรวดเร็วในการนำนะวะฮูจากอัลลอ์หรือว่านาสิ่งที่อัลลอฮ่งตะลาลงคำสั่งมานะครับด้วยความรวดเร็วนะและบางท่านก็อธิบายว่าเนื่องจากบรรดามลัยกันเหล่านี้เนี่ยทหน้าที่ในการกล่าวรำลึกถึงอัลลอ์สุบฮามตะลาว่าซาบิฮัดเนี่ย บางท่านอธิบายว่าหมายถึงการตัสเวห์ไม่ใช่การแหวกวัยในการตัสเวห์ก็คือการกล่าวสุบฮานอัลลอฮ์การทำอิบาดต่ออัลลอฮ์สุบฮานอัลจาฮะพามันเป็นรากศัพท์เดียวกันนี่คือกลุ่มที่สามมาละกัดกลุ่มที่สี่ฟซาบีกอทิซาบกอหมายถึงมาละกัดที่รีบรุดเพื่อรับคำสั่งทำตามพระบัญชาของอัลลอฮ์สุบฮานอัลจาะ เวลาเชลลัสอะไรสั่งอะไรให้ให้ทำอะไรเนี่ยรีบทําแล้วก็รีบไปทันทีเลยไม่รอฟังไม่รอรอเพื่อนก่อนไม่มีะรับใครที่รับคาสั่งปุ๊บก็เอาไปทําเลยรับคําสั่งให้ไปไปตรงนั้นให้ไปตรงนี้ให้มาเจออัลลอฮฺอักบาร์ที่น้องครับการศรัทธาต่อมาเล ก, กั๊ดเนี่ยเป็นความรู้หนึ่งเลยที่จะต้องแยกออกมาเรียนกันให้มันเข้าใจชัดเจนเลยทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ ว่ารูปุนอีหมานมันมีหข้อใช่ไหมครับมีอะไรบ้างศรัทธาต่อล l l a h ศรัทธาต่อมาลาอิกัสศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อคัมภีศรัทธาต่อวันอัคราและก็ศรัทธาต่อกฎเกณฑ์ที่เราเรียกว่ากรรลกอดัทั้งหกข้อเนี่ยสามารถที่จะแยกเรียนได้เลยเรียนการศรัทธาต่อ Allah เดือนนึงไปเลยเพราะมันรายละเอียดมันเยอะมาก ศรัทธาต่อมาลัยกัตจะศรัทธาอย่างไงต้องเรียนไปเลยเป็นคาบสอนไปเลยเพราะมันมีรายละเอียดเียอะอีกเยอะที่เรายังไม่ได้ท ร, ราบศรัทธาต่อเราซู้ศรัทธาอย่างไรเราเคยเรียนไหมศรัทธาต่อเราซู้อย่างไงไรายละเอียดของมันบางทีเราอาจจะทราบแค่หกข้อแต่ไม่รักไม่ทราบว่าอะไรละเอียดแต่ละอย่างแต่ละข้อนควรจะเป็นอย่างไรสามารถที่จะดึงได้เลยอายัดที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธาต่อมาลัยกัตในอัลกุรอานทั้งหมดเอามาทั้งหมดแล้วก็วิเคราะห์ ให้มันเป็นรายละเอียดให้มันเข้าใจกันไปเลยเพราะทุกวันนี้ไม่มีใครเรียนแบบนี้เราเรียนแค่เอารุกอลอิมานหกข้อรุกอลอิสลามห้าข้อแล้วก็จบไม่พอครับเรารู้แค่นั้นเนี่ยเรายังไม่รู้แม่แทบจะไม่รู้อะไรเลยอ๋อวัดวัดนะเราเรียนแค่บอกว่าต้องศรัทธาต่อรอดโดยที่ไม่ได้เข้าถึงว่าเออศรัทธาต่อรอดยังไงแล้วไหนล่ะที่เราบอกว่าเรารู้ไม่รู้ครับนะศรัทธาต่อมาเล็กัดยังไงเรายังไม่รู้ น่าศรัทธาต่อพี่ยังไงบางทีเรายัางไม่รู้ศรัทธาต่อวันอาเครัตยังไงยังไม่รู้เลยวัวนอาเรัตมัมีอะไรบ้างณก่อนที่จะเกิดวันอาเครัตมีอะไรบ้างลำดับแรกที่มนุษย์ต้องเจอเวลาที่กลับเข้าไปสู่โลกอาเครัตเนี่ยเจอกับอะไรก่อนหลังจากนั้นก็ไปเจอกับอะไรอีกหลังจากนั้นไปเจอกับอะไรอีกสภาพของชาวนารกมันยังไงสภาพของชาวสวรรค์มันยังไงบางทีเราไม่เคยเรียนเลยแล้วเราจะบอกว่าเราศรัทธาต่อรุกนอีมานหกข้อเพียงไรในเมื่อเราอธิบายไม่ได้ ในเมื่อเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ารายละเอียดของการศรัทธาทั้งหกข้อนี้เป็นยังไงแล้วพี่น้องคิดหรือนะพี่น้องจะบอกเต็มปากได้ยังไงว่าเรารู้แล้วเราจะบอกเต็มปากกับตัวเองได้ยังไง ว, ว, ว่าเราเนี่ยรู้แล้วว่าศรัทธายังไงกับอัลลอฮฺสุบฮานาห์แล้วอัลลอฮบอกพร่องหมดทั้งคนสอนและก็คนเรียน <laughs> คนสอนก็บอกพร่องเพราะไม่ได้สอนเรื่องเหล่านี้ไม่รู้สอนเรื่องอะไร นะคนเรียนก็บอกพร่องเพราะไม่บอกโตครูให้สอนเรื่องพวกนี้เราไม่รู้ไม่สอนเรื่องอะไรละอิละอิละลอทั้งทั้งที่มันเป็นรู ก, กลนรุ ก, กลนคืออะไรครับหลักการเป็นเสาบ้านที่ไม่มีเสาลองคิดดูจะอยู่ได้อย่างไ้มันเข้าใจนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮัลลอฮเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเรารู้บทแล้วแก้วของเราเต็มแล้ว เทน้ำเข้าไปไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่นะครับลองกลับไปดูแก้วของเราเราเรามีอะไรบ้างแล้วเราใส่น้ำได้แค่ไหนแล้วนเป็นะเพราะฉะนั้นฟ a เซบิควาทิซาบกอนะครับมาลาอิกัสที่ทำหน้าที่รุดหน้าก่อนอีกพวกหนึ่งทำหน้าที่แบบความกระฉับกระเฉงมาลาอิกัสพวกสุดท้ายก็คือฟัลมูเดบิรอทิอัมรอรับคำสั่งจากอัลลอฮ์วางแต่ลให้บริหารจัดการจั ก, กรวาลและก็เอกภพ บริหารแมลงกัดกลุ่มนี้ดูแลโลกแมลงกัดกลุ่มนี้ดูแลต้นไม้แมลงกัดกลุ่มนี้ดูแลน้ําฝนแมลงกัดกลุ่มนี้ดูแลทะเลแมลงกัดกลุ่มนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีมลงกัดคอยดูแลทั้งหมดเลยรับคําสั่งจากอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ تعالى สาบานด้วยแมลงกัดทั้งห้าประเภททั้งห้าลักษณะอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็บอกว่ายามาตร جف الرجف ย์มทรจฟัรราดฟะแท้จริงเราสรรพสิ่งถูกสร้างทั้งหลายจะถูกให้ฟื้นคืนชีพและจะถูกสอบสวนในวันที่แผ่นดินสะเทือนด้วยการเป่าครั้งที่หนึ่งคือการเป่าให้ทุกคนตาย การยูฟูก็คือความสั่นไหวผมดูภา ษ, ษาไทยสั ก, ก น, นิดนึงนะครับในในหนังสือภา ษ, ษาไทยก็อธิบายว่าวันที่การเป่าแตรครั้งแรกจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างไรงถามว่าใครเป็นคนเป่าใครครับคนที่เป่าก็คือมาลาอกัตที่เชื่ออะไรอิส so ราฟีวันเกียมัตเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับมาลาอกัตด้วยนี่คืออาจจะเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมสู้อาตุนา зи อาตอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุตะเ Ala เริ่มต้นด้วยการสาบานกับมละอิกัตซึ่งมีความสัมพันธ์กับวันกยรมัด ต, ตรงที่ว่าพอวันเกยามัดเกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮฺตะเ Ala จะบัญชาให้อิสราฟีลทำหน้าที่ในการเป่าแตรครั้งที่หนึ่งเป่าแตรครั้งที่หนึ่งเนี่ยแผ่นดินไว้ทั้งหมดเลย ทั้งหมดสรรพสิ่งทั้งหมดจักรวาลทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยจะพินาศล่มสลายหมดเลยมนุษย์ทุกคนจะตายหมดเลยที่การเป่าใจครั้งที่หนึ่งธรยุฟรอดจีฟะนะความสั่นไหวจะเกิดขึ้นหมดเลยและไม่มีอะไรที่เหลือทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญสลายมดจะพินาศหมดเลยเป่าครั้งที่หนึ่งนะครับยาวมาตัดทารยุฟรอจีฟะพอเป่าครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย แต่เบลฮารอดดิฟาการเป่าแตรครั้งที่สองก็จะติดตามมาก็จะติดตามการเป่าแตรครั้งแรกมาการเป่าแตรวันเกียร์บัตจะมีสองครั้งเป่าครั้งที่หนึ่งทุกอย่างตายหมดเป่าครั้งที่สองมา อ, อรเอ่ อ, อ, อมคลุกทั้งหมดก็จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปรวมตัวกันนะพุ่งมชัชชอรอ รับฟังการสอบสวนการพิพากษาจากอัลลอฮสุบฮานาะอาลเริ่มนะครับสาบานด้วยมาลายกัตทั้งหมดหลังจากนั้นเริ่มเหตุการณ์ที่อัลลอสุบฮานะอาลสั่งให้มาลายกัดเป่าตแตรเพื่อที่จะกลับไปสู่วันหรือเหตุการณ์ที่อัลลอสุบฮานวะอตาลจะอธิบายให้เราเห็นภาพของวันเกียมัดในแง่ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮฺอะลัยฮิสซาลลอฮฺอะซฮับิเบอฺเลยดูความหมายสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าจะมีความหมายที่ขออธิบายว่าอย่างไงใช่นะครับบอกว่าโยมะเธอุฟราจิฟ و ว ي قيام ا ل س า ع ة ถ้าเสียของอัสสะดีนะครับหมยถึงว่า วันที่จะเกิดกยมัดวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะถูกทำลายจนหมดสิน้นแทชบองฮารราอที่ะหมายถึงอัรจฟตุอัลอัคราอัลเลติทูรดิฟุฮาวะเตติทิลวะเอะเตรายฮที่สองหลังจากที่เปาแตรเสร็จแล้วอัลล์ะอธิบายสภาพของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้น มาดูกันนะครับลาอิลาฮ์อิลล قلوب يومئذ واجفة อัลลอฮอัลเลาะหถามว่าทำไมมีเหตุผลอะไรที่อัลลอฮฺอัลาพูดถึงวันกิยรติ ي و م ترجف رجفة، نقول، اجعلنا ن ك ر ف و م الجماد، لماذا؟ ن ه ن تفسير من س ي د ن س ي ه ا ل ا و ل أي أذكر أيها العاقل لتعتبر و ت ت ع ر يوم ينفخ في الصور ف ت ط ر ب الأرض وتحتز ويموت جميع الخلق. ثم يتبع ذلك نفخه اخرى يبعث بعدها الموتى باذن الله تعالى จงระลึกถึงเถิดโอ้บรรดาผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ใช้เป็นบทเรียนเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ระลึกเพื่อที่พวกเจ้าจะได้สํานึกให้ระลึกถึงอะไร ให้เรารึกถึงวันที่อัลลอฮฺสุบัฮนตาลาจะให้มาะอะไร ก, กนันั้นเป่าแตะและแผ่นดินทั้งหลายก็จะสั่นสะเทือนจะเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมดเนี่ยจะสูญสลายไปหลังจากนั้นก็เป่าเป็นครั้งที่สองเพื่อให้คนที่ตายทั้งหมดฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลักษณะเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮตาลาจะพูดถึงในหลายสุร์ด้วยกันซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าในสุรนี้ ในสุราอื่นๆอย่างเช่นในสุราทูซูมัลที่อัลลอฮพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับว่ากวานุฟิขฟิซูฟ์ فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من ا ء الله ثم من في خفه أخرى فإذاهم قيامٌ ن ظ ر و ن ي و الصُّور أ ัลลอหฺสังฆ์ข่าแฟะซอ ا ع ق ซ้ายไม่ถึงคำว่าซ้ายอกเนี่ยเหมือนกับลักษณะของคนที่ เขาว่าอะไรอ่ะเป็นความตายแบบฉับพลันน้อูรุบินล่มินซาลิกเป็นอะไรที่มันน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นอัลลอฮสุบไบต่าด้วยความเมตตาของพระองค์เนี่ยผู้ศรัทธาทุกคนจะตายก่อนวันเกียมัตอาลฮัมดุลิลลัตเหตุการณ์ที่เกิดเกียมัตเนี่เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าตายก็คือไม่ใช่ตายในลักษณะแบบแบบคนดีอะ่ะตายแบบแบบหน้าตัวเหมือนเหมือนที่เราเห็นคนตายในเหตุการณ์สนามิ พี่น้องเห็นไหมครับว่าสภาพสดที่ตายในเหตุการณ์ t s น n a m นี่เป็นยังไงไม่มีใครไม่มีไม่มีศพที่เราเห็นแล้วเราเราบอกว่าโอ้ตายดีมากเลยไม่มีแต่ละคนนีตายในแบบที่น่าเกลียดน่ากลัวทั้งท่านบางคนก็คืออ้าปากอยู่นะครับบางคนก็กางแขนอยู่คือด้วยความตื่นตระหนกนี่คือความหมายที่บอกว่าซาอเกาะตายแบบฉับพลันตายแบบเหมือนกันโดนบีบคอโดน เพราะเหตุการณ์ที่มันน่าสะพรึงกลัวในวันที่เกิดเหตุการณ์ ล, ละอิละลาอิลลอหเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยก่อนที่จะเกิดแกมัดเนี่ยลอสอัลลอฮ์จะส่งอะไรครับในฮะดิษบอกว่าจะส่งลมลมมาเพื่อที่โดนพัดโดนผู้ศรัทธาทั้งหมดและผู้ศรัทธาก็จะเสียชีวิตตรงนั้นวันนั้นหลังจากที่ผู้ศรัทธาที่ศรัทธาตา่อลอสอัลลอฮ์แต่ละเสียชีวิตหมด โลกก็จะไม่เหลือใครนอกจากบรรดาคนชั่วทั้งหมดเลยและวันเกียรติก็จะเกิดขึ้นตอนหน้าบรรดาคนชั่วเหล่านัน้นนะอุ๊บอิลละห์ใช่ไลม a ็เ a h บอกว่า <seasons> หัวใจทั้งหลายในวันนั้นจะหวั่นกลัวหมายถึงหัวใจของบรรดาใครครับบรรดาผู้ปฏิเสธอล l ล h s u b h a n a า u Wa เพราะว่าวันนั้นไม่มีแล้วผู้ศรัทธาตายหมดแล้วเหลือแต่บรรดาคนชั่วนะฮะพวกที่ปฏิเสธนะหัวใจของบรรดาผู้ปฏิเสธในวันนั้นจะสั่นสะท้านเนื่องด้วยความกลัวที่รุนแรงนะ له, อัลลอฮบิลละฮ์มุลดาเห็นไหมขออธิบายว่าวันนั้นบรรดาหัวใจของผู้ปฏิเสธศรัทธาจะหวาดกลัวและจะโกรนกระวายทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาแน่ใจแล้วว่า พวกเขาจะได้รับการลงโทษเนื่องจากความดื้อของตนเองที่ไม่ยอมศรัทธาในคำเรียกร้องของท่านรอซูสลสัลลัลลอฮอะลัยฮิสลหั ว, วใจนะครับกลัวอับดุซอรุฮะหาาัวใจกลัวดวงตาเป็นยังไงดวงตาก็คือดวงตาของพวกเขาจะละห้อยหมายความว่าละห้อย เพราะความน่าสะพร่งกลัวของสิ่งที่พวกเขามองเห็นไม่กล้าที่จะมองละไม่อาจที่จะมองเห็นภาพที่มันน่ากลัวนี่จนกระทั่งไม่อยากจะมองนะครับดูด้วยความด้วยคำอ๋อว่เอาสิเป็นไรมันได้เลยเราเขาเราเราเราหัวใจลราเป็นแล้วมีใครที่อยากจะมองภาพเหล่านี้บ้าง น, นะครับคงไม่มีใครที่จะมองภาพ ที่มันน่าสยดสยองน่ากลัวเหล่านั้นเอาให้เป il il ็นเหตุผลในเรื้ลาอิลลฮ์อิลลอห์ลาอิลลฮอิลลอ์อายะ์สองอายะ์นี้เนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์เราจะสังเกตดูให้ดีแล้วพี่น้องจะเห็นว่าสำนวนของมันค่องข้างที่จะเรียกว่าสำนวนตะหีบตะหีบก็คือทำให้เกิดความกลัวนี่เป็นวิธีการนำเสนออย่างหนึ่งของ Al ของลัลกุรอานกี เวลาที่เราอ่านอัลกุรอานแล้วเราพบกับสำนวนของอัลกุรอานอย่างนี้เนี่ยให้พี่น้องมีความรู้สึกคล้อยตามันนะเลาะ ต, ะะต้องการที่จะให้เราเกิดความกลัวกับภาพที่มันจะเกิดในวันเก่ามันนะูลูบุเยอมาอิซิมวาจิฟะนะหัวใจรับไม่ได้อับซอรุฮาคอเชะสายตาก็ไม่อาจจะเปิดตามองอีกแล้วนะด้วยความน่าสะพรึงกลัววันนัน จะกลูนั่นอินละมารดูณ์ในฟิลฮาพอดูสภาพในวันนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะกล่าวว่าเราน่าจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมนะพวกเขากล่าวว่าเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมก่อนตายอีกครั้นนั้นหรืออันนี้อันนี้ไม่ใช่ในวันอาคราฐนะครับ คำว่ายากรูลูนตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าคําพูดนี้เนี่ยบรรดาพวกปฏิเสธศรัทธาจะพูดในขณะที่พวกเขามีชีวิตอยู่พูดว่ายังไงเป็นการตั้งคําถามนะครับว่าอินเนลามารดูดูนะฟิลฮะฟิโรห์เป็นการตั้งข้อสงสัยกับการที่อัลลอฮ์สุบฮานองตาลาประกาศว่าพอเราตายแล้วพอมนุษย์ตายแล้วนี่ยจะกลับไปหาอัลลอฮ์คนที่ไม่เชื่อก็จะพูดอย่างนี้เอ จะกลับไปอีกหรือฮนะก่อนตายนี่เราไม่มีอะไรนะครับพอตายไปแล้วเนี่ยจะกลับมาอีกหรือนะครับพวกปฏิเสธการฟื้นคืนชีพเหล่านี้จะกล่าวว่าเราจะถูกนำกลับไปสู่สิ่งที่เราเป็นอยู่เมื่อสมัยที่เรามีชีวิตบนแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราตายไปแล้วกระนั้นหรืออ่อิเดคุณไอาแมนนะคืร เมื่อพวกเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุเปื่อยแล้วกระนั้นหรือหมายถึงว่าพอตายไปแล้วกระดูกก็ผุไปหมดแล้วเนี่ยจะกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งกระนั้นหรือนะเราจะถูกนํากลับไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรากลายเป็นกระดูกที่ผุกร่อนหมดแล้วกระนั้นหรือออลูจิลคาอีแดงคาโรชนคอซิร็อพวกเขาจะกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นแล้วก็เป็น ถ้าเชนนั้นแล้วมันก็เป็นการกลับไปที่ขาดทุนหมายความว่าพวกเขากล่าวว่าการกลับของเราดังกล่าวนั้นย่อมเป็นการกลับไปที่ไรหวังโกหกหมดเท็ดผมจะดูบคําอธิบายของตัสเซรัสดีสักมิดหนึ่ง น, นะครับมันบอกว่าไอ้อิสตบะดูอันยับกษัลมุลล ว่ายื่นให้พวกเขาหลังจากที่พวเขาเป็นกระดูกสันหลังที่ถูกทำลา ย, ยาไปแล้วนี่คือสิ่งนี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าวันเกียมัดเนี่ยมนุษย์ฟื้นคืนชีพอีกเช่นเดิมจริงๆแล้วแน่นอนพวกเราก็เป็นพวกที่ขาดทุนเพราะพวกเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์ในวันนั้น เนื่องจากพวกเราไม่เชื่อดังกล่าวนี้เป็นถ้อยคาที่เย้ยหยันทั้งสิ้นหาใช่เป็นการสํานึกผิดแต่อย่างใดไม่เพราะพวกเขาไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้แล้วอัลลอ์ก็ทรงตอบโต้ถ้อยคาของพวกเขา 3. อายัดนี้นะครับหมายถึงว่าอายัด ต, ตั้งแต่อายัดที่10 1 1 12เป็นคำพูดของผู้ที่ปฏิเสธศรัท ธ, ธาต่อลกสุภาต่างต่าล้ ในเชิงเยอะอย่างพน้องครับลองหยุดตรงนี้สักนิดหนึ่งและลองกลับไปสังเกตใครควรวนว่าอายัดนี้เนี่ยอัลกุรอานสุรรัน์นี้มันลงมาเมื่อไหร่มันถูกประทานลงมาในสมัยของท่านนานีมุฮัมมัดสุลลัลฮอัลฮสัลลัมใช่ไหมครับและท้าถามว่าปัจจุบนันนี้คำพูดนี้มันยังมีอยู่ไหมในสังคมโลกของเรา ในวันที่เราเอาอาัลกุรอานมาบอกกับมนุษยชาติว่ามนุษยชาติทั้งหลายทุกท่านจะต้องเสียชีวิตทุกท่านจะต้องเจอกับเหตุการณ์วันสิ้นโลกทุกท่านจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกท่านตายไปแล้วมีไหมครับคนกลุ่มหนึ่งที่ออกมาพูดอย่างนี้เหมือนกับสามอายัดนี้ ถอัลกุรอานมันถูกประทานลงมาในยุคของคนสมัยท่นานนบีมูฮัมมัดสุลลัลสัลลัมอย่างเดียวทำไมมันยังมีคนที่เหมือนกับคนสามคนที่พูดถึงในสามอายัดนี้ในยุคของเราอีกนี่คือความเป็นอ ม, มตะของ Al อัลกุรอานหรือแคริทุกวันนี้มันก็ยังมีคนสามนะคนเหมือนที่สามอายัดนี้กล่าวเชิงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสิ่งที่อัลกุรอานพูดถึง สิ่งที่อัลกุรอานพยายามจะอธิบายเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่หมดไปแล้วในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลาฮฺถ้าคนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดของเราได้รับอิดายัดเพราะอัลกุรอานได้รับการชี้นาเอาออกมาจากความมืดมนของยาฮิเลียไปสู่แสงสว่างของอิสลามด้วยถ้อยคำำําต่างๆจากคําเพียงอัลกุรอานเราเชื่อว่า คนในยุคของเราคนที่อยู่ในยุคเยฮิลิยาห์ยุคของเราเนี่ยสามารถที่จะออกไปจากความมืดมนหลงทางกลับไปสู่เส้นทางของอิสลามได้ถ้าพวกเขากลับมาหาอัลกุรอานและนี่ก็คือภา ร, รกิจของเราทุกวันนี้มีคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเองหรือไม่ใช่มุสลิมที่ไม่ฟังไม่เชื่อว่ามีวันกิยามาัตเขาไม่ได้เรียนอลัลกุรอานเพราะเราไม่ได้นำอลัลกุรอานไปให้เขา เราเชื่อว่าถ้าเราเอาอัลกุรอานไปให้เขาอ่านศึกษาอัลกุรอานตั้งแต่แรกไปจนจบเข้าใจใคร่ครวญเราเชื่อว่าเขาสามารถที่จะกลับไปสู่แสงสว่างของพระผู้เป็นเจ้าได้อีกครั้งทุกวันนี้นะครับเราเราเร า, เราคิดว่ามันเป็นยุคที่ผู้คนผู้คนกำลังขาดทิฏฐิผู้คนกาลังขาดทิฏฐิผู้คนกำลังขาดทางนำจากอัลลอฮสุบฮานจาจัล ไม่มีคนที่ทำหน้าที่ในการทางนำไปสู่มนุษยชาติและมนุษยชาติเองก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้กลับไปหาทางนำจากอัลลอสุลตานอสัอแล้ก็เลยทำให้เราวนเวียนอยู่กับสภาพอย่างนี้เราจะทำอย่างไรให้มีคนสอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานอย่างที่เราเรียนอยู่เราจะทำอย่างไร ให้คนที่ยังไม่เข้าใจอิสลามอย่างน้อยที่สุดให้เขาได้อ่านให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาทราบก่อนเป็นลําดับแรกเขาจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องหลังจากนั้นต่อไปวันนี้เราไม่สามารถที่จะอ้างได้กับอัลลอฮฺสุภาอฺนะตาอะไรว่าเราทําหน้าที่ของเราแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําหน้าที่จริงๆเรากลัวเหลือเกินว่าบางทีอาจจะมีผู้ที่นะครับไม่ได้เรียนเรื่องเหล่านี้ เขากลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะจัลละเขาอ่านจะอ้างกับอัลลอฮ์สุบฮานะจัลละได้ว่าไม่มีคนสอนให้เขาฟังไม่มีคนอ่านให้เขาฟังไม่มีคนนำเสนอให้เขาฟังแล้วเราจะตอบได้อย่างไรอัลลอฮฺอัลวจบารลาฮ์ฮะวะลาอัลลอฮอลบิลลเพราะฉะนั้นณก่อนที่เราจะสอนคนอื่นผมอยากจะให้เรากลับมาทบทวนตัวเองและศึกษาให้มันเข้าใจให้มันเกิดความเชื่อมั่นในอักิดา ที่อัลกุรอานพยายามนำเสนอให้เราเข้าใจและก็เชื่อมั่นกับบัญอย่างเขา้าเข้าลึกนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะปักหลักในหัวใจของเราอย่าให้มันเกิดความคอนแคลนใครก็ตามที่เรียนอัคกรกีจากอัลกุรอานอุลกีนะครับศึกษาความเชื่อจากคำสอนของท่านนาบีมูฮัมมัดสุละลัลสัลลัมนะเขาจะไม่คอนแคลนเลยค่ะยกเว้นว่าศึกษา ไม่ได้ศึกษาแบบอัลกุรอานสอนไม่ใช่แบบที่ท่านนาบีสุลต่านสอนเราไม่กล้าที่จะรับประกันนะครับว่าอ إ ي م านของเขาความศรัท ธ, ธาของเขานั้นจะปักหลักได้มั่นคงนะครับเราเป็นไะรเพราะฉะนั้นมาช่วยกันนะครับขออุทิศอัลลอฮ์ทรงพากษ์จ่าละ AH ให้เรานั้นหัวใจของเราได้มั่นคงบนศรัท ธ, ธาของพระองค์บนศรัท ธ, ธาบนศรัทธานะครัพระองค์อลลอฮ์ซุบฮะนะจ่าละอัลลอฮ์ม่ยอมกลับัลกุลบ ثبت ปูรูบาระอาลาี น, นี่เป็นด ع ا ء ของท่านนบีอัลลอฮ์สัาลันะครับขอให้หัวใจของเรานั้นมั่นคงอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์และหนึ่งในวิธีการที่จะทําให้หัวใจของเรามั่นคงก็คือการศึกษ า, าการใส่ความรู้เข้าไปในหัวใจของเราอย่างสม่าเสมออย่างหนึ่งนิดนะครับไม่ใช่เฉพาะวันที่เรามาเรียนกันวันอาทิตย์อย่างไม่ใช่นะครับจากช่องทางอื่นจากวิธีการอื่นที่เราสามารถจะเพิ่มความรู้เข้าไปเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องทํา والله تعالى لم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ر ب كرب العزة أما يسيفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.